ทุกวันนี้คนมีความทุกขเยอะบ้านเมือเต็มแป่งรวดเร็ ว, วคนก็ดินรนรุกวันทุกวันนะหาความสง บ, บสุขนนในจิตใจไม่ได้ถ้าเราได้สุส่สารธรรมะแล้วชีวิตจ ะ, จะมีความสง บ, บสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะพวเราเกิดมาในแผ่นดินทีท่ธรรมะยังดำรงอยู่ เห็นคนที่ไปทีวัดหลวงพ่อเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยมีหลั่งก็มีคนจีนคนเกาหลีคนอะไรพวก น, น, น, นี้น่าสงสารเขาอยากได้ทธรรมะแต่ว่ายากที่เขาเยยจะไปเขาฟังไม่รู้เรื่องพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราไม่ไปฟังเลยมีโอกาสนะแต่กที่โอกาสให้สุดหลัก พยายามศึกษาธรรมะเข้าไว้วัไหนได้ศึกษาธรรมะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขมีความสงบในชีวิตอย่างรวดเร็เนี่ยไม่ใช่จะปฏิบัติธรรมแนละ้วต้องใช้เวลาอะไรปีหรือภาวนาในชาตินี้แล้วชาติหน้าก็จะเกิดผลอะไรนไกลเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า่ยเป็นธรรมะของมหาบุรุษ เป็นธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่มีโหกระบอกไหนอะโหกระบอกขัตตาสุดท้ายนั้นต้องเดินช้าทหารภาวนาแล้วก็เดินช้าหลายปีต้องเหมือนเดินสงบแล้วก็ทุกสร้างทุ้งสร้างแล้วก็สงบตลอดชีวิตมีแค่เด็กแสดงว่าทําไม่ถูกหรอถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็วเลยเดินสองเดินก็เห็น เป็นคนประเน ท, ที่หลวกพ่ทุกวันนี้เยอะเยอะขป็นทุกทีทุกทีเพราะ่าเขาเห็นความเปลีนแปลงของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยเป็นแปยังไงเคยทุกข์มากก็ทุทกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลย่ะมอไม่เห็นเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนพิเศษคนอื่นไม่ดีเราเป็นคนดี มหาธรรมน า, ารู้ทันใจของตัวเองเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไ้เยอะเลยหาคนร้ายเข้าเราหายากนี่พเราเห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนั้นกิเลสจะครอบครองใจไม่ได้เพราะกิเลสครอบครองใจไม่ได้นั้นจิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมาจิตใจที่เราร้อนมีความทุกข์ทุรนทุรายขึ้นมาเข้าๆกิเลสมันครอบครองใจได้เรื่งพวกเร า, าบุญก็ล่า ถ้าเปียนที devant, ่จะศึกษาธรรมะครับที่หลวงพ่อพูดมาหลายทีบอกให้เราศึกษาธรรมะปัญหานี้ก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนจะศึกษาอย่างไรธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มีสองส่วนที่เราต้องศึกษาส่วนที่หนึ่งคือรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้จักรูปธรรมไหมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้แต่ต้องได้กับสิ่งที่เป็นมามธรรม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 เปินหน้าที่ที่จะเรียนเป็นหน้าที่ของเราเองเมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะเรื่องตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเข็นได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นั้นบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติก็เลยก็รู้โนบุรินเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรียนแค่ผู้บอกทางไม่ว้องย่าไปคาดหวังนะอย่าไปเสียหัเสียใจเรื่ว่าเราเกิดไม่ทันโนบุริเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทาง ที่จะมาเรียนรู้ธรรมะ น, นะคือก็คือทางที่จะมาเรียนรู้กายและใจของตัวเราเองทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้พระพุทธเจ้า ท, ท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้ง ใ, น ใ, นใจไม่มีแต่ตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเบื่อแล้วก็จะคลายความยึดถือลงไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจต้องคลายความยึดถือใจนะ ยึดใจยึดใจแจรจิตช่วยเหคนท่านคืณสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายจึงใคร่กำหนัดยึดใจความรักใต้ผูกพันยึดจืดต้องใคร่กำหนัดช่วยเหลือคนไม่ยึดใจไม่ยึดใจกายเป็นทุกข์นะใจทุกข์นะแต่ผู้ปฏิบัติเหลยพ้นคนจัดทุกไม่ยึดมันความทุกขมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของภาวนาไปถึงจุดเดือนเลยจะเห็นเลย ความทุกขมันมีอยู่โลกนี้ทุ ก, ท ก, ลนะก โ, โลกนี้ยังไงก็ต้องทุขไม่ใช่ภาวนาให้โลกนี้ตาเกิดสุดนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายนี่มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยนะสุนทรีย์ร่ำรวยเรื่อนต่างๆหมดเคนเราเรื่องไรโลกนี้อย่างไงก็ทุกขเราคิดดูตั้งแต่เด็กๆมานะอ่านตอนทุกเท่าเท่าไหร่แล้จนเราเป็นวันนี้ ความสุขที่เห็นว่ามีว่ามีอยู่นะมาแป๊บเดียวก็หายเนีลยความสุขเป็นแค่ภาพหลอนสารความทุกขเป็นของจริงนี่โรงพยาบาลเนีลยที่แสดงนนความทุกข์ให้เรเห็นนความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเราภาวนาจนีระทั่งวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไปในละใจกะทุกขของมันแ้วแแต่เราไม่ยึดถือธรรมทุกข์นะถ้าถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ย ทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายยังไรก็ทุกข์ร่างกายยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นหรอกแต่แต่ว่าเราภาวนาแล้วเท่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายใจเราไม่ทุกข์เลยถ้าเราเห็นตวาจิงของกายแล้วเราไม่ยึดติดในการจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนะมีความหวังขึ้นมาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีบ้างร้ายบ้าง เรา ภ, ภว า, รา ว, ว, าาวนาไปได้่อยๆเราเกิดปัญญาเราเห็ความสุขก็ชั่วคราวมีได้ความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกขถาวรไม่มีหรอกใครเคยทุกข์นานๆอยาา่างบางคนก็หกห่างทุกข์สองสามปีไม่จริงหรอกพอไปคิดเรื่องอื่นลึงคิดเรื่องหห่านั้นก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์ขึ้นมาต่อที่คิดวม่คิดจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์ก็ชัวคราวนะความสุขก็ชั่วคราว กุศลก็ชั่ชวเปล่าอย่างบางครั้งใจขอเราเป็นบุญเป็นปปกุศลอกุศลก็ชั่วเปล่าโรคปวดหลงก็ชั่วเปล่ามีใครโลคตลอดบันตลอดคืนไหมไม่มีโรคก็โรคเป็นชั่วปล่แล้วมาหายแต่ปวดก็ปวดช่วเปล่แล้วหายแต่หลง ก, ก็ลลกลห ล, กกลงแง่แง่นั้นในโลกนี้มันมีแต่ของชั่วเปล่าวังั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมามันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วเทั้งหร่ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจนี่เป็นแค่ของชววัวเปล่ว มันไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลบระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้ำไม่เกลียดชังมันกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินไปว่าโอ้ฉันเป็นคนดีวิเศษแบบกระดืออ่ะกุศลเกิดขึ้นนะความโลภความโกรธความโลงเกิดขึ้นความทุกข์สร้างความโกรธปู่ความลังเรสงสัยความกลัวความอีจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติปัญญาจริงอะไรอย่างเห็นยมันต้องอย่างชั่วข้าม ถ้าวันใดที่เราภาวนาเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะหายไปเยีะเทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่ชัว่วคราวแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆเราก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรมีถาวรที่เราอยากแบบไรเดียรสาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไรยเดียรสาถูกมแต่ก็กลัวให้แก่ต้องเจ็บต้องตายต้กลัว กลัวทัดรักไมได้เจ็บสิ่งที่รักรกลัวเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ต้อกลัวชั้นใจเราเต็ไมไปด้วยความทุกข์นานาชนิดเลยแต่ชั้นใจเราเห็นความจริงนะร่างกายมั น, นมีธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตนี้มีธรรมดานะสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีรากแล้วก็เสื่อมราภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญได้ก็มีลิขิตาได้มีสมได้ก็มีทุกข์ได้เพรานถ้าเราหักภาวนาไปเราก็ด้เห็นความจริงของชีวิต ทุกอย่างเปช่วแปลนะมันห ม, มุนไปได้ได่อยสุกทุกปีช่วงนะลางยอดสารเสริญสุสขเสริมล่าบเชิมยอดเต็ทางทุกปนะเป็นธรรมชาตของโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรรมชาธรรมชาตมันเปลี่ยนเะรื่อยๆหมุนเปลี่ยนเปลี่ลงไปไเรื่อยๆคาวนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจเราไมนะ่ทุกข์ับทุกข์น้อยลงไปเยอะความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตนะตุองรู้ใจเนะต้องรู้หลอกนะมันอยู่ไม่นานหรอก ดังนั้นพวกเราบางคนเจอปัญหาชีวิ ต, นนนตวหนักๆแล้วท่องคาถาไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปเราทําใจไปเลยว่าไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราสมบวังหรือว่าเรามีแฟนเราแฟ น, เ ร, แฟนเราดีดีสามีเราดีหรือคนอื่นยต้องทําใจไว้เหมือนกันนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันไม่ผ่านไปตอนเปลดเปลี่ยนหรือผ่านไปตอนตายตายยังไงก็ต้องผ่าน ตัวอย่างไม่เคยคงที่เลยะลกเคล่นไหวลกเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วภาวน า, าเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้เองาทุกสิท่์ทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไนี่เป็นแค่ของโชคตาเทานั้นเองภาวนาแค่สิ่งนี้แหละิธีการทํำยังไงที่เราจะเห็นว่นาทุกอย่างในชีวิตเราทั้งในใกาในใจในี่เป็นของโชคตาวิธีการอย่านี้เรียกว่าการเฉลยมิปัสชนากรรมฐานความชื่อและน่ากลัว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 คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาเพราะเราลิดออกไหมวันหนึ่งนหนึ่งเราจิตใจเราอยู่กับเรื่อตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องคนอื่นนะไปยุงนน่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์งั้นจริงๆแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราล้าเลยไม่สนใจตัว เ, เองเราบอกเรารักตัวเองที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจเลยทอจริ้งมันตลอดเวลา ร่างกายเ ja. รามีอยู่เราก็ลืมทั้งวันจะยืนจะเดิน <a> จะนั่งจะนอนนะไม่เคยได้สึกมันเลยมันก็เดินสูบสีสูบมากเต้นโน่นชนนี่ไปเรื่อยๆนะเองงั้นเราอยากปฏิบัติธรรมจากขั้นแรกเลยอย่าลืมนะลืมตัวไปรู้สึกตัวหมอย่าลืมกายอย่าลืมใจไปเองไปรู้สึกกายไปรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอย um. ู um okay. now, right ่ก็รู้สึกไปเห็นร่างกายไปไหนใจเข้าร่างกายใจออกเห็นน่างกายยืนหร่างกายเดินหน้ากายนอน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 สแสดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจคืว่าไตรลักษณ์ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ไม่เชื่อเป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราการทําวิปัสสนาธรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใครของใจไม่ใช่เห็นกายเห็ใในใจเฉยๆนะถ้าเห็นกายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างพวกเราบคนเป็ น, นไปไหายใจเ้าหยออมมายี่ออกนะใจสงบอยู่กับลมหายใจ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 อย่างพิเศษเป็นความจริงว่มามันเป็นไทรลักษในขั้นแรกเลยนะให้เราไปรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเห็นกายเห็ในใจได้ขั้นต่อมาถ้าเราไปรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องมันให้นิ่งบ า, า, า, างคนไปรู้กายก็จ้องร่างกายนะเช่นรู้ลมหายใจแล้วจ้องจ้องจ้องไม่ได้เรนะนิ่งไม่มีสัญญาณ ปัญญาต้องเห็นใจรักนะไปจ้องแล้วมันนิ่งเหมือนไม่แสดงอธิษการพูดขันธ์ อ, อนัตตาอะไรให้ดูหนมะืออะอยู่เป็นเพ่งสรุง่ายๆนะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทําให้เรา ล, กลูกรู้ใจต่างกอบเป็นจริงไม่ได้หรือทํำอิปัสนาไม่ได้ที่สองอยากก่างอันหนึ่งเผลอไปลือกายหรือใจตัวเองอันที่สองเป็นเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใครักไม่แสดงความเม่เจยง แล้วก็มีความสุขขึ้นมาน่าเก้งอยู่แน่สงบสุขแน่แน่เห็นแตสุขไม่เห็นทุกข์หรแล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบรรทัศน์ได้ภาวนานแล้วรู้สึกว่ากูเก่งอาวนาผิดแน่นอนภาวนาถูกต้องเห็นว่าภาวนานแล้วไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนานแล้วกูเก่งนัสตรูของการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นเองตัวแสตัวจูของนั้นปฏิบัติวิปัสนาธรรมตัวที่หนึ่งรูก้กายรู้ใจ ตัวที่สองเพ่งใจเพ่งใจนี่อย่างเราเดินจบหล่นนะคนคนเดินจบหล่นแล้วเพ่งอยู่ที่เท้าและจิตเกาะอยู่ที่เท้าเลยสงบนิ่งหนึ่งไสมถะไม่ใช่วิปัสนาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป qui, ็นไตรลักได้เม Un ื่อเราอยู่ในเพ่งนะเราแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอะไรก็ได้ในกายในใจนี่ยให้เกิดกายเกิใจออกไปคนไหนถนัดรู้ไปก็รู้ไปคนไหนถนัดที่จะรู้ทางใจตัวเองก็รู้ไป เมื่อาทีตย์ก่อนลพไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนงเป็นลูกศิกษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอาอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาไปบอกบอกว่าถ้าจะสอนคนในเมือง น, นะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองพวกที่ทํงางานทีเ่เท่าที่ท่าทั้งวันอย่าพวกเราส่วนใหญ่นะให้สอนดูจิตถ้าสอนอย่างนี้เลยให้ดูจิตไปจิตเป็นยังไงให้ความรู้ไปจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วแล้วรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินหลาย ให้ความสุขเกิดข SO e ึ้นนะให้รู okay ้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราพอใจจิตมันพอใจยินดีนะให้รู้ทันความยินดีถ้าความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่พอใจให้รู้ที่ความไม่พอใจให้รู้ทันไปเรืงการที่เรารู้ทันจิตที่พอใจจิตที่ไม่พอใจ้ะความพอใจความไม่พอใจจะดับเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาไม่ได้บังคับให้เป็นกลางจะเป็นเอง ง่ายๆในหลักของการดูจิต น, นะที่ดูบาอาจารย์หลวงปูดลสอนหลวงพ่อมาหรือหลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษย์ท่านสอนให้ดูจิตนั้นก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานะเรียกปังเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเราขับร่นอยู่เราขับร่นอยู่นะอยู่ๆมีคนปาดหน้าใจเราก็คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนคือโฉโม ถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปาดหน้าเราไม่รู้มไม่โมโหหรอกหรือมันปาดหน้าไปเราเห็นเราสับไม่เห็นไม่คิดตอนน่อเพราะไม่โมโหต้องเผลอไปคิดนิดนึงตอนแน่ชัแค่ไหนเรื่องคิดในทางไม่ดีกว่านะความโกรธเพ่เกิดขึ้นนักปฏิบัติหนะพอความโกเิ่งเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมันโกรถ้ารู้ไวกว่าแบบนั้นจะเห็นเลยว่าตามองเห็นรูปเห็นคนทีสับนกปาดหน้าไป แ, แค่มองเห็นเห็นรูปมันปดนัดโก ถ้าตรงนี้สติตาไม่ทานใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรธแล้วเนี่ยอยากหายโกรดไม่ชอบรู้สึกกิเลสเป็นขาไม่ดีให้รู้ทางใจที่ไม่ชอบความโกรธให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลาดับลําดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็รู้ว่านั้นแต่หรือเราเดินเดินอยูเ่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเห็นภาพเกิดขึ้น อเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงราาักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือตอนใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะถ้าใจมีราคะแล้วพพวกเรานักปฏิบัติเห็นแล้วก็ไม่ชอบในชะ่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทานใจที่ไม่ชอบราคะเรีรู้ในปัจจุบันไปนเนรื่อยเรรู้ทานการทํางานของใจเป็นปัจจุบันไปนเรื อากดูไปด้นะถึงจึดหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกอย่างโชคดาวความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่เป็นขางโชคดาวหากรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่ามีเพ่งแค่อนึ่งนี่ใหลนคนมีเพ่งติดสมถนะติดสมถานิ่นงเติดวันใจอยู่อย่างนี้คนดาก็เฉยนะคนชมก็เฉยเป็นอะไรก็เฉยอยู่นั่จะเป็นธรรมใจในิ่ใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่แหละ ตามอุจจบปปุ้งร่างกายใจกระทบอารมณ์เป็นตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับหนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่าวมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตโกรธขึ้นมาว่าโกรธจิตไม่โกรธหายโกรแล้วรู้ว่าหายโกรธแค่ไปดูโลกปัจจุบันอย่างนี้ไปเรืเร่อยๆทีนีการปฏิบัติจริงขๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรดเป็นยัไง มีใครได้เคยโกรธย่มือให้โดนมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภ ม, มีไหมอ๋อต้องทดสอบนั้นเลยทันทีการย่อมือยไม่เป็นมันไม่ได้ยากเท่าที่เาาาราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้ไปอะไรกําลังเกิดขึ้นสดสดร้อนร้ยอนโดยเฉพาะพวกเราชาเ ม, มืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนในใจเราเรีไปรู้ไป อย่างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพูดมาพักหนึ่งรู้สึกให้สุดซึ้งเลยพอได้ยกไม้ยกมือข้ารู้สึกแผ้จิตเคล่นใหนนะ่แล้วไปชักไปเฉกขึ้นมาเนะนี่ยรู้ความเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละยากเหลยบางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลาตึงลำพันไปที่วัดหลงพ่อก็เคยมีเดื่อนี้ไม่มีแล้วดูจิตมันยากหลวงพ่อเลีๆๆ่งเด็กเล็กๆขึ้นมาตรวจรู้จักไม้รูจ้จัก อยากได้รู้จักไม่อยากกินรู้จักไหมนะเคยเคยปวดแม่ไหมนะเคยเคยรักแม่ไหมเคยความรูนะ้สึกใ น, านาชาติหน่งนะจะโรคจะปวดจะหลงเคยอิจฉาไห ม, มเด็กมองหน้าน้องนะเคย<ม>แต่ถ้าอิจฉาเด็กจะรู้จักเลยเคยกังวลไหมเคยกลัวไมไต้อนงะเคยนะได้ขาวว่าพรุ่งนี้จะมาฉีดยายที่โรงเรียนวันนี้กังวลนะในเห็นน ะ, นะะเด็กไม่ชอบหมอนะ เป็นหมอเป็นอาชีพที่นั่าสงสารมากเลยต้อ ง, อ ง, งบอกว่าท่านเป็นบาลามจริงไม่มีใครเขา อ, อยากเป็นแล้หรอกถ้าเอาเงนินปอดนะขอให้มันเจอเราบ่อยๆที่นี่นะวเป็นหนึ่งแขกน้องเพื่อนนะเป็นได้ว่าจริงๆนะแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจตัวเองเราไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดา ไม่เพ่งไม่จ้องเห้นิ่งเหมือนคุณคนนี้ที่มีอินโทรมีเครื่องแบบใช่ไหนายอย่างนั้นใช้ไมได้หรอกมันเพ่งนเพ่งใจิอย่างนี้ไม่มีใจรักใค้ดูนะต้องปล่อยให้นเคลื่อนไหแล้วตามดูอยป็คนคุณรู้นชั้นพิเศษข้างหลังรู้สึกไมใจอยากไปคิดเวลาใจหนีไปคิดเราลืมกายลืม ใ, ใจตัวเอง การปฏิบัติธรรมก็คือคอยรู้สึกใจคอยรู้สึกใจแก่ใจลอยก็้วอ็หยาบเพ่งแค่นี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ถังแค่นี้เองรู้จักปวดทุกคนใช่ไหมรู้จักโลครู้จักหลงไหมใจลอยใครรู้จักใจลอยใครรู้จักตุ้สร้านใครรู้จักปดหูใครเคยอิดช้าบ้างเคยทุกคนเลยคืออย่าลืมนะว่าผู้หญิงที่อิดช้ามากกว่าผู้ชาย ผู้ชายก็ขี้ชาวยังกันแต่ว่าต้องวางฟอ้อง ไ, ไม่บอกกลัวตะวนันนะเกรงใจรู้จักเกยงใจนะเห็นไม่เกยงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันขับแค้นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเซงก็อีกอย่างหนึ่งเลียนานาความรู้สึกอ่ะนะนะ ความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นสะสๆ ร, ร้อนในใจเราให้คอยดู้อกไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ชัวว่วคราวนกะลัวก็กลัวชั่วคราวนะโกรธก็โกรธชั่วคราวดีใจเสียใจสุด ท, ท, ทุกอย่างชัว่วคราวเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี่เป็นของชั่วคราวไม่ได้พอวนาวสุขเอาสงบเอาดีแต่ภาวาให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี่นชัว่วคราว ดูของจริงลงไในใจเราดูซีวิตชั่วคราวจริงไหมสุขชั่วคราวไหมทุกชั่วคราวไหมแ ล, ล, ล, ล้ะโรคหลอดลมอิดฉ้าฟุ้งซ่านอะในชั่วคราวไหมคืออย่างนี้ไดเไหมนะการที่เราเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธร ร, รมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในธรรมดาแน่นคือท่าสวนาบัน เราอย่าบ้าภาพว่าพระสวดบันนั่นคือมนุษย์ตลาดละไนะปนน่าสมาธิแล้วก็พูดหมดสติไปแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นพระสวดาันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยพระสวดาปันก็คือท่านที่จิต ใ, ใจยอมรับความจริงเมืสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีสิ่งที่เรีย ก, ก, กว่าตัวตนถาวร น, นั้นถ้าเมื่อไหร่พวกเราเป็นพระสวดบปันเร า, าเรจะสังเกตตัวเองได้เราจะรู้สึกในนี้ไม่มีตัวเรา ก็เรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้คือเราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราคนเดิมนี้แหละแต่บัดตอนนี้ตัวเราเล็กเดี๋ยนี้ตัวเราใหญ่ขึ้นคนเดิมเห็นไหมว่าเราเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเชี่ยงมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่เป็นอรรมตานะแต่ทั้งร่างกายเราตายแล้วเราเรียนช่วยนะว่อ้ตัวที่ธรรมตัวที่ไม่ตายเนี้ยจะออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ ให้เราจะรู้สึกอย่างนี้ประอบเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนนึงถ้าเราหัดภาวนาจริงๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดและดับแต่เห็นเลยร่างกายก็หายใจออกแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจ็เข้าร่างกายที่หายเจ็เข้าอยู่ช่วคราวก็หายไปนะกลายเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยแต่ละอันจะด้านอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปความสุขความทุกข์อยู่ช่วงคราวแล้วก็หายไป ความโลภ ค, ความโกรธความหลงอยู่ช่วคราแล้วก็หายไปจิตใจเราต้องเปลี่ยนกันเดี๋ยวต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวก็เกลอเดี๋ยวต้รู้สึกตัวเดี๋ยวก็กวเกลือเพราะฉนั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะด้วยแต่เกิดเราก็ดับทันทีไม่มีอะไรในกายในใจนี้ที่เป็นธรมตัดมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นชั่วคราวแล้วก็หายไปสังเกตที่ใจเราดูก็ได้สังเกตในใจเราเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวต้องตุก พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวแนะใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆขึ้นมาแทนใจเฉยๆอยู่ชั่วคราวอาจจะสุขขึ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจยังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เฝ้ารู้อย่างนี้นะมันหนึ่ปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเราภาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้ มีความสุขเป็นผลไลาได้แต่ถ้าภาวนาก็จะให้จิตมีความสุขมีความสงบเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เชี่ยงถ้าเราภานาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแล้วบางคนนั่งเอาความสงบพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบแล้วคนก็อยากเป็นคนดีมันก็ดีบ้างร้ายบ้าง แม้ความสุขความสงบความดีนะี่เป็นขางโชคเก่าในโลกนี้ยังเราเป็นที่พื่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เราปฏิบัติธรรมจรงไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาดูในโรงพยาบาลนี่แหละมีสิ่งเกิดสิ่งดับแท้ไปหมดเลยนะรว ท, ทั้งความรู้สึกของเราด้วยพวกหมอพวกพยาบาลรู้สึกไหมอย่างเรามาโรงพยาบาลนะ่ช่วงนี้คนไข้เต็มไปหมดเลยสดชื่นไหม ดีใจไหมโอ้ยยืเงิคนไท้เต็มเลยจะได้ทำบุญเยอะๆได้รู้สึกนะออกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกของเราแล้วคนออกมาล้นเป็มถนนเลยเราจะดีใจเนี่ยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าไวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าคุณการทําอะไรที่ยากเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามีเรื่องใหญอย่างหนึ่งนะฝากพวกเราไว้พวกเราต้องถึงสี่ห้า คนที่ไม่จืดศีลภาวนาไม่ขึ้นหรอกนะเนี่เป็นบทที่สุนที่เห็นมาเยอะแยะแล้วถ้าไม่มีศีลภาวนาไปไม่รอดหรอกศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้เรามีศีลแล้วรเราก็คอยเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากมากต่อไปท้าคนไหนคิดว่าอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มลงไปอีกทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่ง ในน้ำสมาธิบ้างเกินโฉมลมบ้างทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็ค่ายนัก่วยเข้าค่สอนถึงจะเป็นแชมปโลกก็ต้องสอมชกนะเมื่อเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องส้อมให้เกิดสติบ่อยๆทุกวันไว้ตาสวดมนต์ไปนะเช่นละหังสัำมานะรู้ทันเห็นร่างกายหน้าปากกรงักกงักสวดมนต์ไปซ้ำพุโพรวใจหนีคิดรู้ว่าใจหนีคิด ใรู้ทันตัวองรู้ทันกายรู้ทันใจไปได้่อยเวลาเดินจงกรมก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไมที่เดินให้ใจนิ่งๆเดินให้ใจนิ่งง่ายเดินไฟเป็นสนุนทรเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนตูมเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนตูไปเรื่อยๆแล้วพอใจเนี่ยไม่คิดก็รู้ทันนี่ทํำในรูปแบบว่าใจจะได้มีเรื่องมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีลได้ก่อนศีลห้ากพ อ, พอแล้ว มีศีลถ้าวันไหนศีลขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่อย่าไรุ้ใจาแล้วานไปนะต้งใจทใหม่แล้วก็ทำอย่ารูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจวันที่เหมาะกับคนในเมืองอย่างพวกเราก็คือการดูใจตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภใจโกรธใจโลงใจทุ้งซ่านใจวุนูใจเที่ียงคุณเนี่ยจิตเพ่งนะใจตเพ่งที่ี ก็รู้ทันเห็นใจได้เลิกสะย่เนะถ้าเป้นมันไม่มีปัญญานะติสมรรถไม่เกิดปัญญาเห็นใจรักแค่นี้แหละพอจำไว้หมตลวงข้อภาวนาสมัยเป็นคราวเรถอนเมือนพวกเราหนะตลวงข้อเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาคของมันคงแห่งชาติชื่อนักลัวี่ยูสภาควาแห่งชาติทำงานหนักมากงานเครียดมากเน่ยวันนะต้องมีครข้อมูลเต็มไปหมดเลยต้อยุ่งกับคนมากต้องประชุมมาก มาตั้มหน่อทิศทางว่าเรื่องนี้ควรไปแก้ปัญหาอย่างไรอย่งไรมีหน้าที่เสนอนายกเป็นคนตัดสินใจสภาของน่นคงเป็นคนเสนอแนวทางให้เลือกเน้นงานหนักมากเลยลเราเป็นข้าราชการเราพอนาน ท, ท, ทั้งที่ยังทางานอยู่นะเหมือนที่พ่อเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ในใครเป็นข้าราชการในห้องนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกยังไง ตื่นแต่เช้าวันสุกรู้สึกไหมเนี่ยหรือแม้การภาวนง่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะใจรู้สึกยังไงใจแห้แงแล้งเนี่ะขี้เกียจวันอังคารกขี้เกียจใช่ไหมันพุธศุดเศรเซงรู้สึกไหมวันศุกร์เซงวันพฤหัสเหนื่อความสุขรู้สึกมันศุกร์กระดิกกระดานะแค่ตื่นขึ้นมาแนละ้วแค่แค่แค่คิดถ้่านะ้นวันนี้วันอะไรใจยังเปลี่ยนแล้วก็แค่มีสติตามดูมันไป ใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็รายทั้งวันอย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราต้องพอใจนะนะเจอแต่ของไม่ชอบเลยนี่ลงไปลงอาหารนะมีแต่ของไม่คนไหนเลยอาหารโรงพยาบาลนี่ขึ้นชื่อเลยไ ม, ม่ใครอยากกินเนละยพยาบาลเองหมอให้ก็ผมไม่อยากกินนะอย่างที่สี่รากแล้วสื่กินก็เป็นไปส่พยาบาลได้ชอบกินส้มตมัดใส่กุ้งกินท่านทะ่าทีร่รู้ว่ามีเชืเ้อโรคอะไร แค่กินอาหารส ะ, ารสะารอาดาก็ไม่มีความสุขแค่แค่ตาเรามองเห็นอาหารหรือชิ้มูกเราเล็กกลิ่นอาหารนะใจเรายังเปลี่ยนเนี่ยนะเวลาได้กลิาาก่นบนะางทีอยากกินใช่ไหมบางทีให้กลิ่นเราไม่อยากกินเนให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราเวคอรู้ทันการปฏิบัติทําไม่มีอะไรหรอกย่คอยรู้ใจที่กำลังขึ้นหลงล แค่เห็นรูปเราใจเราอยาก็ะเพิ่มขึ้นรือเพิ่มลงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะเห็นคนอื่นก็นเหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจใรรู้ว่าทางใจที่เราเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงได้แค่นี้หวหมไห่ไม่ได้ไคิดทานะต้องทานะต้องสู้ออานะและชีวิตจะได้มีความสุขการมีวสุขเพื่อเอการสดายใ่คั่ก่อนหลวงพ่อ ใพิจารณาการแล้วก็นอกสาที่เป็นคนทีน่มีทุกคาวามเวเบีนอก็เลยใช้กายพิจาราตามที่หลวงพ่กกอแนะนำนะคะบางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายจับใจไม่ได้ถึงที่กายก็จะ<แ>ทุกคนจะ น, อ น, น้อยลงเห็นไมการก็อยู่ส่วนหนึงจิตห้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วดวจแม้ตายี่อยู่ส่วนนึงเวทนาก็อยู่ส่วนนึงดูเหรอหรือยังเหรอถ้าทุก เม้ตานามีอยู่ใช่ไหมแต่เวมานาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกนะภูะมนาไม่ใช่จิตต้าใครทุ ก, กันความทุกมีอยู่แต่ไม่มีโชคของฝนะึกแตได้ แ, แต่บางครั้งก็ยังมีหลงเมออ๋อ เ, เวลาหลงเปไหลเขไปถูกเป็นต้นเดียวนะไมก็มีเราตุกนะบางครั้งก็ยัง้นซ่านแล้วก็ตอนนี้จะรู้จักว่างงเยอะมากจะเห็นก่อนมากขณะนี้จิตเป็นยังไงรแม่ ดีพีดิดตัวแบบไว้ด้วยหลอกไหมอ่ะตเขให้ใจเราจิ้มถูกกับถูกลับนะมีโมฮัาแท่นนิดหน่อยกไมอะเป็นหัวไม่ใส่ร้อยเตไม่รู้ทังตัวอย่างใจที่ถูกลับ้วจากที่ไม่เคยเห็นจิตตัวเก็จะเริ่มเห็นอันั้นเยอะเยอะเอหลอกไปเลยมันประหลาดนะเออมหัจรรารทงานมันได้ทำงานแปลก โ<น>อกาสของก็คื อ, อที่บอกว่าชีวิตแม่ให้หน้าแตไมของพระเจ้าไม่ใช่ความรับผิดการไม่รักษการถึงข้อควมถูกไปแน่ใจอ่ะที่หนูดูติวมาว่าถูกข้อไว้ค่ะทราถามทราบตอบตอบไหมทราบต้องหัดูไปอๆนะใจเรเป็นยงไงรู้รู้ซึ้ง ใส่กเก็ดไปเรื่ยๆในตอนนี้เราบคับอยู่ดูออกไหมไม่เป็ี่ยนธรรมชาติดูออกไหมแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมดูออกไห ม, มต้องเปลนใจนะ <c oughs> เออตื่นเต้นราะว่าเส่นเต้นมันไม่ใช่แค่ตื่เนเช่เนเฉยๆมันมนะีการบังคับตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นเออที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นในใจจะแน่นแน่นรู้สึกไหมดูหนะ ยังมีความคืบห้าเขึ้นเมื่เราไม่อยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่อยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาและความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วย ai, ถ้าเราป่วยไข้ถ้าเรายอมรับได้ว่าร่างกายเราป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่กลุ้มใจถ้ายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏไม่ได้ก็เกิดทุกข์หรือย่างบางคนนะ บาคนสามีนี้ฟน ม, มีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงอยู่แล้ว ไ, ได้กระทู้งนะแล้วน่าชิด่ไหมันจะกลับมาความจริงมันไปช้า ด, ดีแล้วคนไม่ดีเอาไ้ทาไ ม, ไ ม, มแล้วถ้าว่าไรเรายอมรับความจริงที่เกิปรากฏขึ้นได้เราจะทูก้อยลง ม, นะมีคนรูจักคนเดีมวไปทฐฐาธุรกิจนะเพื่อนจ่ายเช็คเรงสิบล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะชี้อย่งเดียวกูจะฆากูมาหาหลวงพ่อนลนะ้ มาโวยวายโวยวายอยากค่าเขาไม่นิเซอร์่างเลยอยากค่าเขาไปบอกสเสียเสียงดันเดยวเขาก็ค่ายก่อนบอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คเหมือนเด้งเสียไม่อยากให้เมันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้งแล้วตอนเด้งแล้วอยากให้มันเด้งดต้องกุ้มใจสิต้อยอมรับสิตอนนี้เช็คเด้งแนละ้วเ <_ d ata> ช็คเด้งแล้วจะทำยังไงดีให้ความเสียหายน้อยตั้งหลัก้ได้ นนในชีวิตเวลาเกิดปัญหานะทั้งหลายให้แร ก, ก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าสัอตารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางนั่นชีวิตเราก็จะดีขึ้นอีกขึ้นอัในในี้ชีวิตคนอื่นนะไม่ใช่ขอบคุณเราขอบคุณยังมาทักยืนดูออกไหมก่อเข้ารับรู้สึกไหมอุหังหรือว่าเบิกบานแจ่มใสเบาสบาย รู้สึกแน่แน น, นัม่นใช่หนั่นแหละแน่นแน่นี่แหละเป็นผลของตาที่เราเปกดผมกรคับตัวเองกัวใช่ใช่ไอเจอหลวงพ่อก็กลัวหมดเลยขนาดรับนะหลวงพ่อมองทีเดียวมัแค่ขากีดเลยคุณพ่อคะสภาวะนี้ค่ะเราดูแล like ้วเราพยายามดูว่าสภาวะของความกลัวหรือท้อเนี่ยมันจะหายไปตอเมื่อะยไม่ได้ดู มันไม่ได้ดูให้ายนะเราดูไปสิใจเป็นกลัวเราห้ามไม่ได้ดูตรงเนี้เห็นไหมเป็นกลัวของมันเองเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราะอนปตตาเป็นี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ไปห้ามมันไม่ห้ามมันนะแค่รู้ไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดความกลัวเกิดรู้เฉยๆไม่ได้ยาวแก้ไขลงรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว ที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตใจที่เป็นกลางๆของคุณตนลีคือจิตไม่เป็นกลางเห็นไหมไม่ชอบไม่ที่กลัวขมอาไรเนะี่ยให้รู้ทันอย่างนี้อ่ะอันนี้อันนี้นนนนรุ่งใจจะตายอยูแล้วรอนาน้อง <laughs> จะการของพ่อค่ะอยากทุกนให้หลวงพ่อแนะนำค่อตาลยยีหรือไม่ช่วยได้แล้วนะเออ รู้สึกไ้มตอนนี้กดข่งไหมนะรู้สึกแมมเออเป็นแค่ไหนเป็นเปความภาคภัยที่ฝึดอยู่ใช่ไหม่จมันตื่นรู้สึกไหมเห็นกิเลสทั้งวันนี่นั่ยอะ้เกิดเห็นไหมต้องหยางชั่วคราวเราอัตตามันเกิดขึ้นในความ่ันนะเดียเกิดแม่ลูกพอรัมก็หายไปให้คๆด คนเราที่เซลล์จัดนะเพราะว่านยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่างก็เราทํางานใช้ความคิดเยอะๆเลยส่ดดยวนใหญ่ตอนคิดคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นเพื่อนเราเราก็กลุ้มใจหรือไม่ก็โมโหมากเลยเรียก ว, ว่เาเซลลจัดตาแรงถ้าเรารู้ทันเนี่ยใจมันยึดในความคิดความเห็นเราเรารู้ทันแล้วก็ปล่อยออกเองนะไปฝึกตัวแต่ไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดมีแคนิดเดี่ยวเพราะว่ากัวหรวงพ่ ค่ะอีนิดนึงนะคะสงสัยอะค่ะหรือว่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเวลาเราปลอยเนี่ยค่ะให้เราดูดูความปลอยอีนี้ถ้าเราขอดแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขาแล้วเราก็รู้ว่าอยากแล้วถ้ามันไม่หายเราจะไปฆ่าเขาไม่ได้สิหลวงอบอกไว้นะว่าต้องถึงสี่ท่วการบำนาญต้องถึงสีนท่าทําไมจะทาพิพิธศนาต้องมีสี่ท่ารู้ไมต้องพิพัธศนาจะไม่เก็บกด ความโกรธเกิดขึ้นในใจดูทางไม่เก็บกดนะมันไม่เหมือนสมถะ้กรธขึ้นมาพุ้แผดเลืตาไปเรื่อยๆไม่อยากฆ่าใครแต่คำนิพนานนี่เราไม่ฟังขับใจแต่เราเราด้ต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ได้สีแต่สีเั็นสัมผัสนัน่นเม่งั้นไม่มีคนรู้จักกันคนหนโดดขึ้นมานะไปสั่งก๋ยเตียวมาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะอื่นข้ามชิวอมาใกล้ๆโ ด, ดตกเนี่ยตกในะ ตองเจ็บส่งไปเสี่ยวเฮ้ยตอบทำไมตองดจิตว่างดีถ้ามัน เ, ออเรียกว่าสิวโกวัวไมวจิตว่าเข้าถึสีจมาบอกว่าฉันเห็นความโกรดแล้วนี่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่ากมาสการ์มึงพ่อหนูส่งกันบ้านล้างตาสุดท้ายนะตอนเมื่อจะมีส า, ายุนก็เลยงไม่โอกาสเล่นมาก่อนพ่อพอระหว่างที่ที่กลับมาสุดเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า คางที่จิตมันมันเหมือนกับพอเหมือนกับพอผจะมีโอกาสเจอญาติทำอย่างนี้ค่ะผมจะคนที่ช่างสงสัยเขาก็<ม>ะจะบอกว่าอย่าไปสงสัยมันไม่ใช่อสสย่สงสัยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยความโลภความโกรธความโหนงเนี่ยเป็นสภาวะเหมือนเหมือนกันเท่าเทียบกันทำไมจะเกิดขึ้นตลอดเหมือนกับอยู่ในในความเลือดพันธ์เราเลยอย่างนี้เห็นไหตอนนี้ไม่ได้สงสัย เพราะเราะก็ลับ้ ja. ใช่แองค์ข้อหรือไงควาสงสัยไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นคราวๆนะเราก็แค่เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวคือเหมือนข้อจิตเราหีไปคิดอย่างนี้ค่ะควสงสัยมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือเราอยากได้คําตอบลนะก็ข้อเราอยากเราเรียนกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อฉลาดรับรู้ทุกคําตอบเราเรียนกรรมฐานเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นนะเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป ต้องการแค่นี้เองต้องท่าโสดาบันรู้แค่นี้เองเพราะงั้นความสงสัยเกิดขึ้นความสงสัยอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปเห็นไหมมีเหตุคือเราคิดเพราะมีเหตุความสงสัยก็เกิดพอเราไม่คิดเรื่องนี้มันก็ไม่สงสัยใช่ไ ห, ไหมเมื่อเห็นมันดับตัวมันก็ดับใจมันทํางานไปเองอย่างสมมติว่าขนาดที่ไม่เคยได้มีโอกาสแก้ชุบกใกล้ขนาดนี้อาการใจที่มันตื่นไต้ก็เกิดขึ้นแล้วจนจนตอนนี้มันก็ยังไม่ห า, หหายไป ก็คือให้เหมันทํางานของมันได้เองซู้สึกไหมเราบางครั้งไม่ได้ก็คือรู้เนี่ยให้รู้ความเจ็บที่ที่มันไม่ชอบใช่แล้วรู้สองระดับนั่สองสเต็ปอันที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความเื่นเต้นสเต็ปที่สองก็รู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตจินดีหรือจิตจินไรให้รู้ทันอันนี้จิตจินไรไม่ชอบเห็นไหมให้รู้ทันที่ไม่ชอบ ต ร, รงที่รู้ว่าไม่ชอบตรงนี้ค่าหนขอยอมรับคว่ายังไม่เข้าใจเล่ะเพราะตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่เดิอนมีาหนู ก, ก็ยังไม่เข้าคอหนาจตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบตงรู้ตร ง, <ม> ต, รงตรงนคุณตะอนมันนความสงสัยปิดเั<อ>งไว้ใช่ความสงสัยนี่เป็นโมหะอย่างหนึ่งนะถ้าตรัในที่จิตยังถูกโมาะครอบงำอยู่เนี่ยสติปัญญาจะยังไม่เกิดใช่ค่ะดนเราอย่ไปเชื่อ พอไปนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโอภความโกรธความโงเกิดขึ้นคุณก็ดูไปอีกได้ไหมมันอยู่ชั่วคราจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พอถึงวันหนึ่งจริตจึงเรียงรับความจริงมันต้องอยากเกิดแล้วมันดับตรงเส้นเอ้ยหนูรู้สึกตัวถูกต้องบ้างหรือยังบางทีรู้สึกเราไม่เค่งไม่เครงไว้ใช่ไหมไม่เคร่ก็หลงไปคิดใช่รู้สึกเหมือนกับหลง รู้สึกแม่ตอนเย็นตั้วกไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่เคลียร์ความรู้สึกขั้นคลัวออกมามอย่างไวท์ชันสมครควรไม่เป็นไรนะคล้ายเจอพ่อเจอแม่พ่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นให้ดูหน้าเห็นใจอะไเนี่ยถ้าเรารู้ท่าเฉยๆนะรู้ไปสดๆร้อนอย่างนี้แหละ้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างนี้่ชั่วคราวสดๆร้อนะ คนชื่อสงสัยเนะ่คือคนน่าสงสารที่ว้าหลวงพ่อก็มีแล้มีต้ามองเลยเช่สาสงสัสงสัยต้องทุกเรื่องเนละยสงสัยมันก็แปลว่าจิตเราแบบเราเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยยังเงี้ยก็คือไม่ถูกไ่ถ<ล>ูใชแ่แล้วจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกก็คือจะเห็นว่าจิตสงสัยมันก็เห็นว่าความสงสยนะัอสยอยู่ชัวช่วป่ารู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ในชั่วป่าไม่มีหรอก นี่แต <c ười> ่ว <c ười> ่าสงสัยข <c ười> ึ้นมาแวะอือนเาก็หายแต่ิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างชั่คราวตั้งหลักได้ดีนะหลอกพอนาเพื่้เห็นว่าทุกอย่างชวคราวจับตรงนี้นะเราเราใช้วิธีการท่าในในนี่ยคสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ต้องท่าาเราเปลี่ยนาร่ืออะไรท่าตัะไกลับมนกง่ายจังเยที่สงงันบ้านไปแล้วเราโตหมดเลย S <S ขาตัดนันสการณ์สันธรรมสมัเกี่ยวเรืร่องจิตการวาจิตของเาในเกี่ยวเรืเร่องสมถะเนวางวางของเราได้ถึงอย่างแล้วการวางจิตในแบบทั่ไปแบัตถุทุไปเนี่ยคุณจะไหวอย่างไรครับล้วไม่หวนยถ้าางจิตเ น, น, น, ไปไป น, นี่ยเป็นเรื่องของสมถะหลักของการทาสมถะคพ่เมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์ท่านอหีนะ เดี๋ยท่านพอ่อรีท่านจะปีศูนย์สองแล้วก็ฝึกสมาธิอยู่จนอายุยี่สเรียนสมาธิเล่นๆอย่ยี่สิบสองปีคล็ดลับของการทราําสมาธิ้ว่คือการรู้อารมณ์อย่างสบายๆนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปนี่ไม่มีมันสนุกต้องสบายหลักของสมาธินี่ก็คือทอํายังไงจิตจะสงบต้องตามตรงนี้ จิตของมนุษย์ปัติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมมีพิคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวมีพิคิตร่ะไรเพราะมันเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเราก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมที่มันสบายใจมาล่มันอย่างของเเองชอบหายใจอรมานราปาณสติเอาหายใจแล้วมีความสุขเราจิตใจเราหายใจเรามีความสุขละจิตต้องชอบมาอยู่กับลมหายใจจิตไม่หิไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับ เน็ตเคล็ับของการทาําสมถะนะคือวางใจให้สบายไม่ใช่ถามอยู่ตรงไหนตรงไหนอนอนกัะนั้ น, นยังเป็นเรื่องเต็กย่อยเป็นปูปายเฉพาะตัวแต่หลักของมันจริงๆก็คือต้องอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขคล้ายๆอะไรคล้ายๆเด็กจิตให้เหมือนเด็กเด็กวิ่งไปสนนอาบ้านตะลอดเวลาเราอยากให้เด็กเข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ฟาดมันเราต้องเตียเที่ย ม, มมันกินขนมมันอากมากินได้จริมมัน เด็กกินในจิตเป็นอารมณ์ที่ชอบใจใช่ไหมเด็กก็ไม่วิ่งไปสดเหมือนกันจิตนี่เหมือนกันถ้าเขาได้อยู่กับอารมณ์ที่เอบพอใจนะเขาไม่สุขสนงั้นคุณก็ต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขล้วก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขล้วก็อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้ฝังคับจิตให้สงบนะจิตไม่ชอบฝังทับจิตเหมือนเด็กยิ่งมังคับยิ่งดื้นั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากให้เกิดความสงบเนี่ยให จิตเน่ยอยู่กัอารมณ์ที่สบายใจถ้าจะทำวิปัสสนาเราไม่บางครั้ให้จิตวิ่งนะตนจิตวิ่งไปที่ตารู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทันเราเข้าไปถามหลวงปูด่ดูลุหลวงปู่ครับจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่เดิมคิดว่าจิตตั้งอยู่ต่างกหน้าอกน่นะถ้าเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทุกทีเลยหลวงปู่ ด, ดูลบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้ง หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาสร้างไว้ทำวิปัสสนาก็เพื่อให้เห็นมาทุกสิ่งเกิดแล้วดับใช่ไมไม่ได้ออกมาสร้างกัดหลักให้แน่นมากถ้าทำได้เราขึ้นทาสมาธิมาเยอะแล้างันีข้นามพันธุ์ขึ้นขึนเะเป็นก็ไปกดๆนไวเป็นไงตั้งแต่เจอเลยทราก่อนอยู่ข่าวนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยู่ไ มันก็เปลี่ยนตลอดคนนี้เก็งมันเปลี่ยนตลอดตาเองนี้ไรก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดแล้ก็ใครรู้ทันเสติเลาเป็นตั้งเออมันก็จะมีเรมตนองเรียอะไรนะมันมีเจริญแล้วมันก็มีเจริญ่เือถูกต้องเวลาเราภานาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วข้าเสือกครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้กอกเลยว่าอจรยอาจารสิงห์องไหม ใจสิงขอมบอกเลยจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสือเส่อม้นเจริญแล้วเราหลงยิดีเนี่ยโง่เสือมแล้วหลงยินร้ายโงอ่อกนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสื่อมให้เราดูล้วลก็แสดงไครลเหตุไม่บังคับไม่ได้เรียนใคร่อให้เห็นบังคับไม่ได้กลับไปค่ะารนส ก, การหลวงพ่ะคไหมค้หลวงไมไม่ไม่กัวค่ะหลวงจาลพิยาบางโปะค่ะ ได้ยังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลงพ่อไปให้ธรรมะกับเจ้าหที่โรงพยาบาลสภากงไหมนะคะได้สองชิวไหมปกติปีเท่าไหร่5 6าหกห้าสี่ปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำบัชชาวัตเย็นเอ่อแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้มันรู้อะไรแต่หวังว่าให้ตัวเองมีสติ นาหรือนมชีวิตอยู่นะคะพราปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกรง่ายแต่ก็หายง่านะคะไม่ไม่รู้ว่าสิ่งเหนี้มันจะช่วยอะไรก็ดีนะใักรู้ตัวเองไปแน่ๆเอาขึ้นแท็บสติในชีวิตจะจําหวัดให้เยอะเยอะไหมคนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูม่เ็นไหมเจออะไรทงก็โฉดเงี่ยแบที่จะโมโหคือครับมีแล้วขัดใจแั้วไน้เราไปรู้ไป เป็นใจฉุนๆขึ้นมาแล้วก็ารไปไม่ต้องเนลักษณะงานหรือแผนอุบัติเหตุเฉยมากลักษณะงานมันต้องทำาพอาะ้าต้องช่วยชีวิตคุณให้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองก็มันก็จะไหวไปด้วยนะคก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งภาวนาแต่เพรางเขาเวลานั่ง จะหลับดีเลนะะะ่นค่ะสงบเลยะค่ะนี่ไงที่หลวงพ่อชาบอกคนเมืองนะต้องอยูจิตเอาถึงในทางนมาธินั่งหลับสิเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งนี้หน่ยสาสัตปันนะกว่าจะถึงบ้านเปน็นนกปีกักแล้วนะส า, ายข้อแฟงข้แฝงน่นั่งกขหลับเท่านั้ น, นะะอะนั้นยายามฝึเกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากอย่างเรานั่งอยู่นั่นนะเป็นข้หามเป็นข้อแรกหม่นะกุ้งใจราว่ากุ้งใจ รักษาเปนธรรมชาตจะตายแล้วกังวลหรือว่ากังวล ด, ดูอยา่าง น, นี้แลยดูเข้าไปเลยพอคนปกตได้ก็จะกังวลอีกนะฮะแล้วก็จะสงสารญาติเขาก็่ให้รู้ทันใจของเราแตา่ความเมตตากรุณาอะไรเนี้ยเป็นกุศลนะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญารูาา้ทันมันจะกลาป็นหลานค่ะกลายเป็นความปุกพั น, นความกรุณาอย่างเงี้ยบาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเ่า ถ้าเราไม่มีสติคันนะมันจะกลายเป็นโง่สาเสียอกเสียใจแล้วก็พยายามักษาสิ่้าแต่มันจะผิดสิ้สี่อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าค่ะเพราะว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทาให้เขาไม่สบาใจเราไม่อยากแล้วก็กลายเป็นว่ามันรอบิดสิข้อสี่ อ, อยู่ไม่นะคะแล้วมีศิลปะ 8, อ, อ่ะนะอคุณนะพยายามฝึกสติในชีวิตที่จมันนะใเราเครียดเยอ ีกิดง่ายเครียดอ่ะไม่ใช่ไม่เช่ชี้โมโหอะไหรอแต่ต้องเครียดเมืม่อเวลาใจเครียดขึ้นมารู้ทันแต่ไม่ห้ามนะอย่าไปข่มให้นิ่งอย่าตอนนี้อย่าไปกดมันไม่กดมันทำตัวเหมือนคนดูเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังกาลังเครียดอยูนะ่ดูเหมือนดูคนอเ่นกันได้ในส่วนนี้แล้วไปรู้ทันใจเองไปไนทบไมเขาไปกดนที่มันนาดให้ทำไมไม่ส่วนเราที่นี่ล่ะ อยู่ตรงนี้ก็ส่วนได้เนี่ยสมมตตอนนี้เราว่างๆเราก็พุทโธทำโมสอนโคแค่นี้ก็ได้อ่าพุโทโธทำโมสอนโคลไปพุทโธนะพุโ ท, ทโธใจแบบไปคิดแล้วรู้ทันแล้วมาพุทโทโธพุโทโธใจอีกคิดอีกรทัทนอะคืออย่างนี้อ๋นนอแน่นอยิ่งส่วนยาวเท่าไหร่ก็ย่งมีคิดบ่อยเท่านั้นพมันยาวคือออย่างถ้าส่วนชินบันชอนนะเรงไปคิดเป็นน้อยครั้ง กับคุณพครับวันนี้ก็ประสบการณ์้คันเรียนครับหอช่วงที่ผนมนก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตหมันจะพลืมคิดไปครับสักสิบนาทีขมวดตาสามารถรู้สัมัเองอากาอย่างนะครับหลังจานั้นจิตเขพูดเงว่าจิตเขาพัฒนาเขาเองไม่ใช่เราพัฒกาใช่นะครับเรามีหน้าที่จิตนั่หลกเรานี เราไปฉลาดแทนรูปไม่ได้ไปสอบแทนรูปไม่ได้แต่เราให้การสึกษารก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลว อ, อยู่ที่ตัวเรา<ม>เราแค่ให้สิ่งแรกเราให้การสึกษ า, าจริงนี่ก็เหมือนกันเราพามันดูกายพามันดูใจไปได้<ม>ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงเราเลยเขาจะฉลาดเมืเ่อไหร่เรื่องของเขา<ม>จะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ชเชื่ อ, อเราเลัจงจากนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เปิดทาง ขันหวังครับก็ <ừ. S 2> เลยปลเป๋ไป่าง้แค่ิหนึ่งรแต่รู้ทัน้พอรู้ทังกันนี้ก็เดินจงภรมนั่งสมาธิจเจริญจิตสปิดตั้งั <ừ. S 2> ว น, นะครับผมนี้ขนาดนี้ถึงฐานแล้วช่วงนี้เมื่อีตอนนี้ฝม่งผมมีจิตการตอนนี้มีเสงการด้เตกตากใช้ได้สอบานรับเพื่อนท่านของผมมีข้ อ, ขอมองไม่เห็นนะครับ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 มันตั้งมัในความรู้สึกผมสงสัยุ่งครับหลวงพ่อจริงฐานนี่เหมือนตัวผู้รู้ใช่ครับตัวผู้รู้มาช่วนใช่แต่แต่อย่าขับพ่อตวผู้รู้นะเพราะขัผู้รู้ผิดนะเพราผมนะหลวพ็เสาอย่าับผู้รู้นะผิดกับนมสุขังหลงต่อขอหมดเจรจำนงนที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกยางครับห่ต้องดูให้สบายนะ อยให้คลื่นแทบไม่กรลวนที่ตามสื่อยู่ก็เริ่มใช้ได้แล้วครับดูไปอย่างีความสดนะจะไปดูใจฟุ้งซาขึ้นมาเราไปรู้ดออกไมใจเราชอบฟุ้งซ่านใจฟูขึ้นมาเรารู้ใจฟุขึ้นมาเรารู้ปบ่อยๆไม่ห้ามไม่กดไม่ขมน ะ, ะแล้วต้องทาในรูปแบบนตนานีิยมอ้า น, น, นใจอย่างความบางเกินไเหมือนแก้วบางๆ อย่าไปเครีนดอย่าไปปรงคัาหนามอย่าไปเครี่ดเป็นเคนียดง่ายต่อไปการพิสูจน์ผ้าจา์ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะได้มีโอกาสมาฟังทำผ้าจา์คือเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็หลายนะคะเอาที่ดีมาให้มาให้ฟังก็เลยได้ฟังของะอาจานแผ่เียวนะคะฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วก็มาหาย ที่จะที่จะมาเรียนรู้ดูดูจิตนะคะก็ได้ก็ได้มานั่งดูเอ่อได้มาเรียนเรียก็กได้ยกใช้วิสัยว่าขณะคือจะเห็นจะจะรู้ว่ารูป ก, กับน้ำเนี่ยมันแยกออกจากกาันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามั น, ม, นมันคือรู้ที่ไปเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเชี่ยววินาทีตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเอ่อมันมันจะมีลักษณะของเอคือจะเห็นว่าบางครั้งยังมีโทรศัพท์ โศกเกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมาหักกรลด้วยแต่พอพอเรารู้ว่าออก็พยายามที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋อก็แค่นี้เองแต่จะอาจารย์คะอันนี้ก็จะไปใช้ในลักษณะว่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแ ล, แล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติการเรียนรู้ธุกิจเนี่ยคือจดตัวเองจะทำเมื่อเมื่อมีโอกาส หรือมีจังหวะเมื่อนั่งทำ ง, งานหรือมีเวลาว่างก็จะสะอกับหิุดยามไม่ไ ม, ไม่ไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ไม่ทราบว่ากนะ็นะนะใหส้สบายๆนะค่ะอย่าไปให้เครเครียดค่ ะ, ค, ะ, ะคอยรู้สึกอ่คอยรู้วามรู้สึกเอาใจบ่อยๆล้างน้ำคุยง่ายเคร่งเครียดใช่รู้สึกไหมคือคเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกอ่าเหมือนกับว่าเราเคร่งพอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราแค่รู้สึกว่า สงบสบายแต่แต่พอหลังสุดเนี่ยก็หลังจากที่มาหัดเรียนรู้ดุจิเนี่ยก็จะรู้สึกเมื่อเรามองไปได้เรื่อยๆ <Yeah. S 1> แต่นี้ก็เป็นส่วนเนี้ยก็คือมาใช้ในเรื่องของการขับรถเราก็จะมีคือคือจิตเนี่ยหรือหรือสติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นตลอดเวลาว่าอันตรายใช้คําว่าอันตรายนะคะพระอาจารย์มันก็จะโอกาสที่จะเกิดภัยรอะไรเนะี่มันก็จะลดลงเพราะว่าหนึ่งเรา จิตกับกายอยู่ด้วยกันเราะฉะนั้นสติมันสติข้อใจอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเราคอยใชเกตอย่างนีนให้กันบ้างเพื่อนะเวลาที่จิตเป็นคิดเนี่ยเก่เวลาเราคิดเนยเราจะกระโจนไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราอินไปในโลกของความคิดเกได้ิรุ่นออกไหมอย่างเวลาเราพูดพูดล้วเราจะไป<ช>เลยเกินี้คอยดูเกิดนี้บ่อยๆ น, อยนะต่อไปแจงจะถอนตัวออกมามันเป็นผู้ดูผู้ดู ตอนนี้ใจเป็นยังเข้าเป็คลุกอยู่อารมณ์อยู่ในสื่อเหล่านี้นะ ใ, นใจมันไหลที่คิดรู้ทางใจมันไหลที่คิดมันยินในการคิดรู้สึกไดเ้เรายังคิดอะไรนะมันเอาจริงเราจำนะนี่ไม่เป็นจุดสอนของเราให้ความรู้ทางจิตที่มันเป็นยินอยูแก่โลกของความคิดมัตนต่อไปแค่นี้ก็ยากแล้วนะทำได้นานจากนั้นการหลพ่อค่ะ คือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตุสิง่งธาตุในน้ำลงไฟเองสึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะร้อนแยังไงอย่างคนเป็นไข้เราไม่สามารถลดไข่ได้เราลองพัตัวเองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปทีเป็นธรรมดาทีนี้โดยตัวเองเนี้ยเป็นคนมองจิตไม่ได้ค่ะเราให้หลวงพ้อเลี่ยน า, าสอนว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเดชเราคุณจริงจริงหัวกระตายดูจิตมันเป็นคนช่างคิดนะ แต่ว่าอของเก่าที่ทำานี่ยันเป็นเนยอยู่ที่กายควารู้สึกเน้่ยมันแทกป็นจกจับอยู่ที่กายรู้สึกไม่ไม่รวมอยู่รอบกายีกครั้งจะอยู่นิ่งๆจนเราไม่เห็นต<ม><ม>ิก่อเนื่อก่อแทแงกลางนะดงเรื้อการจะดับแล้วออกมากระทบอรมณมตามธรรมชาติไปๆนแล้วก็ดูใจที่กระตุนน้นด้นยแต่ตอนในม้ใจติดคิดซ้ำเลย แตใจคิดแล้วอยากพูนรู้สึกไหมเรียกเรียกเปนการตื่จิตจิตอยากจะพูแล้วรู้ว่าอยากเห็นไหมอยากพูนเห็นไหมมันมีแรงตึงขึ้นนะที่ระบบแล้วที่ทําอยู่นั่นสมาธิเป็นจอมโจรเขาตื่นไหมคะก็ทํำแต่มีไปหล่นนะแต่ว่ามาดูสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยเี็นเมื่อเคิความอยากพูนขึ้นมันก็โลภ ลมพัดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลมพัดใจมีมีคิดในขณะที่ใจมีมีคิดตู้มท่านจับทู้ททสั้นก็เป็นโหวหาอย่างตอนนี่ท่ใจมีโมหวหนะันท่านูคิดนะหลอกไห